พนอบน้อมต่อคุณพระตนะไตรข่าอกาสอาจารย์นรงค์วิทย์อาจารย์ทรงศิลปเพื่อนสนิทนนทม ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในวันนี้ก็เป็นวันที่13กันยายนพุทธศักราช2556ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระองค์หนึ่งซึ่งต่อมาก็ ได้รู้จักกันในานามของปรมาจารย์ของการเจริญสตินะคือหลวงพ่อเทียนจิตจิตจสุโพนะหลวงพ่อเทียนท่านได้ถือกำเนิดนในวันที่ห้ากันยายนาพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าิบสี่เป็นเวลาหนึ่งร้อยสองปีผ่านมาแล้วนะ บิดาของท่านนะชื่อนาะยจีนนาะมารดาชื่อนังสมอนะินทร์ผิวท่านมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะท่านเป็นบุตรคนที่5ได้กำเนิดนะที่บ้านบุโคมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะอาชีพของท่านในระยะแรกก็มีการทำสวนทำนานะต่อมาท่านก็ได้ค้าขาย การที่ท่านเกิดมาในชีวิตชนบทเช่นนั้นนะท่านก็ในใช้ชีวิตชาวบ้านทั่วๆไปต่อมาเรื่อยๆจนอายุ ป, ประมาณสิบปีนะท่านก็ได้เข้าไปบวชเนนกับยาคูผองซึ่งไม่นพระภิกษสุสงฆ์ซึ่งเป็นอนณาของท่านเองนะท่านก็ได้ศึกษาข้อธรรมต่างๆ ศึกษาแม้แต่ศึกษาเรื่องคาถาอาคมต่างๆก็มีการศึกษาในสมัยนั้นได้บวชเนนอยู่ประมาณปีครึ่งหลังจากนั้นท่านก็ลาศิกขามาแล้วก็ช่วยทางบ้านประกอบกิจการงานต่างๆโดยความขยันหมั่นเพียรจนอายุได้ยี่สิบปีท่านก็ได้โอปผสสบอีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็ไปอยู่กับอยาคูผองอย่างเก่านะท่านก็ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยความสนใจนะด้วยความตั้งใจจริงนะแต่ว่าท่านก็มีกิจการที่ต้องกลับมาทำนะเพราะว่านักมารดาท่านก็ยังอยู่นะก็เลยลาศึกออกมาหลังจากใช้ชีวิตสมบูเป็นเวลาหกเดือนนะในชีวิตในช่วงนี้ท่านก็มีความขยันหมั่นเพียรนะมาตลอด จนอายุประมาณยสิบสองท่ก็ได้มีครอบครัวได้แต่งงานนะแล้วมีบุตรอยู่3สามคนนะท่านก็มีความขยันเป็นอย่างยิ่งนะมีการค้าขายในช่วงนี้นะแล้วก็ได้ซื้อเรือกระแชงนะมาเจ็ดลำนะแล้วก็ค้าขายล่องไปนะตามรับน้ำโขงนี่แหละ ค้าขายอไปถึงน้องคายนะไปถึงเมืองลาวเป็นพ่อค้าที่ค้าขายได้กําไรมากนะโดยเผาฝ้ายเนะีการค้าฝ้ายนี่ทําให้ท่านมีกําไรอย่างมหาศาลนะแม้แต่ว่าคือท่านสามารถเป็นคนกลางนะในการที่จะรู้ว่าที่ใดมีการปลูกฝ้ากันนะท่านรู้แหล่งแล้วก็มีพ่อค้าไหนอยากจะได้อ่า มีคนผู้ที่จะนําไปผลิตน่ยอยากจะซื้อนะ่ะฝ้ายนะเพียงแต่ท่านตอนเช้าก็มีการสนทนากันนะ่ะในเรื่องการค้าขายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะนะ่ะท่านก็สามารถที่จะตกลงนะ่ะแล้วก็นํำฝ้ายนะ่ะไปส่งให้เพาะกับพ่อค้านะ่ะท่านก็ได้กําไรนะเป็นแสนนะ่ะภายในช่วงเช้าเท่านั้นเองนะนแสดงว่าท่านเป็นผู้มีสติปัญญาในการค้าขาย มาโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงเพียงแต่เป็นคนกลางในการติดต่อเท่านั้นเองนะจากความสามารถนี้นั่นแหละโดยทั้งความอบอ้อมอารีนะความที่ท่านมีน้ำใจเป็นอย่างยิ่งกับคนต่างๆท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านติดต่อกันถึงสามสมัยแล้วท่านก็เป็นผู้นาในการนำบุคคลต่างๆให้ร่วมกันทำบุญ ทำบุญสนต่างๆนะท่านได้นําในการทรอดกรถินนะมะีทางฝั่งลาวนะได้ติดต่อขอให้ท่านช่วยนํากระถินไปทอดทางวัดทางฝั่งลาวท่านก็ได้จัดกรถินถึงห้ากองแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกันมากมายนะทำบุญกันมากมายนะแลท่านก็มอบหมายภรรยาของท่านเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ คอยจัดการในเรื่องของมอารสมบต่างๆเรื่องอาหารการกินเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะส่วนตัวท่านก็มีหน้าที่ในการารับแขกต่างๆเท่ า, า, านั้นนะคราวนี้เมื่อจัดนะกระถินเช่ น, นั้นมีหมอหรัสมบัติแล้วเนี่ยตอนเช้าภรรยาก็มาถามท่านว่าจะจ่ายค่าหมอลำเท่าไหร่นะท่านก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาในใจของท่านแต่ท่านก็เก็บเงียบไไว้ แต่ภรรยาท่านก็สังเกตได้นะหลังจากที่ไปทอดกระถินต่างๆกลับมาแล้วนะในตอนเย็นภนระรยาของท่านก็พูดคุยกับท่านแต่ท่านก็แสดงอาการนะมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้ภรรยาท่านเข้าใจว่าท่านเกิดความไม่พอใจนะภรรยาท่านก็เลยทักแบบว่า เ, เจ้าลงนรกแล้วนะเจ้าโกรธเจ้าก็ลงนรกแล้วนะไปทอดกรถินก็ไม่ได้บุญหรอ นะจากคำพูดในธรรมนองนี้ท่านก็เกิดความสกิดใจขึ้นมาว่าการที่เราไปทำบุญต่างๆนั้นนะแต่ว่าเราจะมีความความโกรธอยูนะ่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะเพรา ะ, ะหลังจากที่วันนั้นไปต้นมาท่านก็เลยมุนะ่งมั่นที่ว่าจะต้องหาทางที่จะากาจัดความโกรธนี้ให้ได้นะแต่ท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะออกไปสแสวงหาธรรม ท, ทีเดียว ท่านชใช้เวลาถึงสามปีนะในการที่จะค่อยๆเลิกธุรกิจการค้าขายเหล่านั้นนะ mm. ก็คือต้องจัดการหนี้สินต่างๆนะในการการค้าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนจนทุกอย่างมีความเหมาะสมมีความสมควรที่จะออกไปปฏิบัติธรรมแล้วท่านจึงเดินทางออกไปปฏิบัติธรรมในตอนนั้นท่านก็อายุสี่ถึงหปีนะ แต่ก่อนนั้นก่อนที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมท่านก็เคยไปศึกษาในสํานักต่างๆมาหลายหลายแห่งแล้วนะในการวิธีการปฏิบัติธรรมต่างๆในยุคนั้นท่านก็ศึกษามาเยอะแต่ท่านก็ยังเห็นว่าเออมันก็ยังไม่ใช่ทางที่จะล ะ, ะ, ะกิเลสทั้งหลายได้อยู่ดีนะท่านจริงออกไปแสวงหาอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าครั้งเนี้ถ้าหากว่าท่านไม่ได้ทำมรรคกลับมา นะท่านก็จะไม่กลับมาที่บ้านอีกนะแล้วท่านก็ลาภรยาไปโดยภรรยาท่านก็อนุญาตให้ท่านเดินทางไปนะท่านก็เดินทางไปทางหนองคายนะไปอยู่นะทีออ่อำเภอท่าบ่อวัดลังสีมุกดารามนะนะได้ไปอยู่กับนะอาจารย์วันทองนะซึ่งมีอาจารย์ปานซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวลาวนะเป็นอาจารย์ใหญ่คอยควบคุมการปฏิบัติ วิปัสสนาในครั้งนั้นท่านั้นก็ให้ท่านปฏิบัติในแนวอของการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหว14บี่ยังบะนี่แหละแล้วก็มีคำบริกรรมว่าติงนิ่งนะคือการเคลื่อ น, นก็ให้บริกรรมว่าติงนะเวลาหยุดก็ให้บริกรรมว่านิ่งนะซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่อาจารย์ปานไปศึกษามาจากนะประเทศพมา่านะ อาจารย์ปานก็ไปศึกษามาถึงสองอย่างก็คือวิธีการนี้กับวิธีการพองยุคนะแต่ในตอนหลังนี้อาจารย์ปานก็มาเผยแพร่ในวิธีนี้คือวิธีการเคลื่อนไหวฮนะแล้วก็มีคำบริกรรมด้วยนะท่านก็ไปอยู่นะที่วัดนั้นนะใหม่ๆท่านก็นะมีการนะปฏิบัติในวิธีนี้อยู่นะแต่มีวันหนึ่งอาจารย์วันทองบอกว่าให้นะ ให้นั่งภาวนานะนั่งภาวนานั่งสมาธิภาวนาใช้คําว่าตายตายนะท่านก็เห็นว่าวิธีการภาวนานี่มันก็คงจะออกจากลมไม่ได้ละต่างๆนะออกจากความโกรธก็ไม่ได้เพราะท่านเคยทำเชนะมาก่อนนะท่านก็เลยหยุดภาวนานะท่านก็อาศัยการเคลื่อนไหวนะ14จงวังหวะโดยตัดคําบริกรรมทิง้งนะตัดคํว่าทิงนิ่งทิง้งนะท่านอาศัยการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ไป ในความรู้สึกตัวต่างๆให้ต่อเนื่องกันนะโดยตัดคําบริกรรมทิ้งนะแล้วในวันที่สามที่ท่านภาวนานั้นนะในตอนเช้าก็นะท่านก็กําลังปฏิบัติธรรมอยู่ก็ปรากฏมีแมงป่องนะแม่ลูกอ่อนตกมานะที่เท้าของท่านนะแล้วก็ลูกของมันก็กระจายไปด้วยนะแต่แมงป่องก็ยังอยู่ที่เท้าของท่านนะแต่ท่านก็ไม่รู้สึกกลัวแต่อย่างใดนะท่านกับ มองเห็นว่ามันก็เป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองนะคือแมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามท่านก็เป็นรูปเป็นนามท่านก็ไม่มีความหวาดกลัวนะในขณะนั้นสภาวะรูปนามก็ได้ปรากฏกับใจของท่านอย่างชัดเจนนะท่านได้เข้าใจนะถึงเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องรูปโลกนามโลกเรื่องนามเรื่องรูปเรื่องรูปเนนามเห็นอย่างชัดเจนนะในขณะนั้นนะในวันนั้นท่านก็ไปบัติ ต่อมาทั้งวันจนในช่วงเย็นท่านก็เข้าใจในสภาวธรรมอย่างชัดแจ้งถึงที่มาที่ไปต่างๆถึงเรื่องจิตเรื่องใจเห็นความคิดอย่างชัดเจนเห็นว่าทุกทั้งหลายนั้นก็เกิดจากความคิดนั่นเองท่านก็ย้อนกลับไปดูต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะแต่ว่าการที่ท่านมาเจริญสติวิธีนี้ทาให้ท่านเห็นความคิด นะเป็นการนะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อให้จิตตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ทันความคิดนะเมื่อเมื่อความคิดนะสตินี้มีความไวเท่ากับความคิดก็จะไปตัดความคิดได้นะหลังจากนั้นนะก็ไม่จิตก็ไม่อาจจะปรุงแต่งต่างๆได้ต่อไปนะท่านก็เห็นสภาวะธรรมเหล่านี้ได้ชัดเจนเห็นการมากาันไะปเข้าใจพุทธศาสนาในเรื่องต่างๆได้อย่างชัดเจนนะ ท่านก็เข้าใจในวันนั้นนะหลังนั้นท่านก็มีความแจงแจมแจ้งมาตลอดนะต่อมาอาจารย์ปานก็ได้ข้ามาจากฝั่งลาวก็มาสอบลมท่านนะการสอบลมก็คือสอบลมนักปฏิบัติต่างๆด้วยนะมีนักปฏิบัติต่างๆอ ย, อยู่ร่วมกันด้วยนะแล้วก็สอบอารวมท่านเป็นเป็นคนสุดท้ายนะจะสอบลมในหลายเรื่องนะนะก็มีอยู่บางเรื่องเช่นอาถามว่า เกลือเค็มไหมนะท่านบอกว่าไม่เค็มอาจารย์ปานก็ถามว่าทําไมไม่เค็มท่านบอกว่าเกลือไม่ได้อยู่ในปากของท่านในขณะ น, นี้อยู่ในกระทะโน่นจะเค็มได้อย่างไรนะแล้วก็ถามเรื่องพริกเรื่องน้ําตาลนะว่าเผ็ดไหมหวานไหมท่านก็ตอบในทํานองเดียวกันนะแล้วอาจารย์ปานก็เลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าสมมุติว่ามีเสืออยู่ในป่าเนี่แหละเป็นทางเดินนะ แล้วก็มีคนน่ยไปยิงเสือบาดเจ็บแล้วเนี่ยเสือก็ดักรอยในระหว่างทางแล้วก็วมีคนมาตามให้ท่านเนี่ยไปหาอาจารย์ปานที่อยู่อีกที่หนึ่งซึ่งไมไ่ต้องผ่านป่านั้นน่ะท่านจะต้องท่านจะไปไหมกลัวไหมท่านบอกว่าท่านไม่กลัวท่านสามารถเดินไปได้นะถามว่าทําไมไม่กลัวเสือท่านบอกว่าเสือก็ไม่ได้อยู่ในขณะนี้ ท่านก็ไม่กลัวท่านก็จะเดินไปนะหลังจากการสอบลมนี้อาจารย์ปานก็เข้าใจแล้วว่าท่านก็คงจะได้บรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะท่านก็มีการนะเขาวางใจในตัวของหลวงพ่อเทียนตระดาบัตนาเป็นปต้นมาแล้วก็ไม่ได้สอบถามอะไรอีกนะก็คือท่านสามารถอยู่กับปัจจุบันธรรมได้นั่นเองไม่ไปอยู่กับความคิดนะไม่ไปอยู่ความปุงแต่งหรือประทานที่ว่าเกลือต้องเข็ม นะเพราะในขณะปัจจุบันนั้นก็ไม่มีเกลืออยู่ในปากของท่านจริงๆนะหรือเสือก็ไม่ได้ปรากฏในขณะนั้นนะท่านก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งนะไปเป็นอุปทานยึดติดในเสือว่าอ่นะขาขณะนี้เสือเป็นสิ่งนี้ท่านต้องไปกลัวนั้นะท่านก็ละนะความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นเสียได้นะอันนี้ก็คือท่านได้บรรลุในตรงนี้นะหลังอากที่ท่านเข้าใจทำแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาที่บ้านนะมา พบภรยางท่านแล้วก็เริ่มสอนภรยางท่านเป็นคนแรกนะต่อมาก็มียาพิณอักต่างๆนะท่านก็ไปเรียกมามาอบรมทำนะยาแล้วก็มีชาวบ้านต่างๆก็มาร่วมกันขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านก็สามารถอบรมนะให้ให้ผู้ที่เข้าใจทาได้ส่วนหนึ่งโดยเพราภรยางท่านใช้เวลาสองปีก็เข้าใจทานะเห็นสิ่งต่างได้ชัดเจนนะเห็นรูปเห็นนาม จนภรรยาท่านบอกว่าท่านหมดความทุกข์แล้วหลังนั้นท่านก็ไปปรึกษาพระผู้ใหญ่เจ้าคณะจังหวัดเลยนะในการเผยแพร่ธรรมต่างๆทางเจ้าหน้าก็อนุ ญ, ญาตท่านเผยแพรนะ่แล้วก็แนะนําให้ท่านบวชและกันเพราะว่าการบวชนี้ก็จะทําให้เผยแพร่ธรรมได้ง่ายขึ้นนะท่านก็เลยเลยตัดสินใจที่จะบวชนะ เพื่อที่ได้เผยแผ่ทําได้ง่ายขึ้นนะขณะนั้นท่านก็อายุ48ปีนะแล้วในปีที่ท่านบรรลุธรรมนั่นะก็เป็นปี2500พอดีนะซึ่งเป็นกึ่งพุทธกาลนะหลังจากที่ท่านบวชแล้วท่านก็เผยแผ่ทำไปเรื่อยๆณนะในจังหวัดเลยนะต่อมาท่านก็ได้นะตั้งวัดนะพุทธยานขึ้นที่จังหวัดเลยนะ แล้ในในช่วงนี้ก็หลวงพ่อคาเขียนสุวนโนท่านก็เดินทางไปศึกษาธรรมกับท่านในช่วงนั้นนะแล้ได้บวชอยู่กับท่านในช่วงนั้นด้วยท่านก็เผยแพร่ธรรมต่อไปอีกตามที่ต่างนะก็มีการตั้งสถานที่ปฏิบัติไปตามที่ต่างหลายแห่งนะแล้วก็เริ่มมาที่ขอนแก่นนะท่านก็หาสถานที่ในการเผยแพร่ธรรมนะก็พอดีมีสถานที่ว่างอยู่แห่งหนึ่งชาวบ้านก็เลยอันนี้บ่อนที่ท่านอยู่นะ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือวัดโมกขอนกันนั่นเองนะเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมอีกแห่งหนึ่งนะหลังน้นก็มีผู้นิมนต์ให้ท่านม า, าเผยแพร่ธรรมอยู่ที่วัดชนรับทานลังสนิทที่กรุงเทพนะท่านก็รับนิมนต์เข้ามาที่กรุงเทพก็มาเริ่มเผยพระในวิธีนี้นะแต่ก็ไม่ค่อยมีผู้ที่เข้าใจกันนะต่อมาที่วัดนี้นะั่นแหละท่านได้พบอ่า ภาพภิกษุองคหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เปิดโลกนะในวิธีการปฏิบัตินี้ให้เผยแพร่ทั่วไปอย่างกว้างขวางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศนะในหมู่ปัญญาชนด้วยคือพระอาจารย์ โ, โกวิดเขมานัน tha นะได้พบหลวงประเทียนที่วัดชุรประทานนะอาจารย์โกวิดนะได้ค้นพบหลวงพ่อเทียนในความเป็นตัวตนเช่นนั้นจริงๆนะก็เลยเกิดความศรัทธาเกิดความทึ่ง ก็เลยช่วยหลวงะเทียนในการเผยแพ ร, ร่ธรรมนะหลังจากเผยแพ ร, ร่ธรรมที่วัดโชลประทานแล้วต่อมาท่านก็ได้มาพบวัดสนามในนะซึ่งอยู่ที่อําเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรนะีตอนนั้นก็เป็นสถานที่ลกล้างเป็นป่าอนะแต่ก็มีการค้นพบว่า อ, อมันก็น่าจะเป็นวัดเก่าเพราะว่าเห็นมีเสาโบสถ์อยู่ด้วยนะมีสถานที่ที่มีการก่อสร้างเป็นวัดเก่า ท่านก็เลยเริ่มบุรณะขึ้นมานะสถานที่นั้นก็บุรณะขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็เป็นวัดสนามในนะซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมใหญ่ในกรุงเทพนะมีผู้มาปฏิบัติธรรมกันมากมายแล้วก็ใส่ที่ท่านอธบุกเบิกในยุคนั้นนะเมื่อมาอยู่วัดสนามในแล้วท่านก็มีการเผยแพร่ธรรมให้กับ ปัญญาชนในกรุงเทพอย่างมากมายนะก็จะมีอาจารย์มีนักศึกษาในหมหาวิทยาลัยต่างๆก็มาศึกษากับท่าน น, ะนักทุรปิตต่างๆก็มากันเยอะมากปรากฏว่าต่อมาก็เป็นที่กว้างขวางมากเรื่อยๆนะจนมีผู้นิมนต์ให้ท่านไปเผยแร่ธรรมลงไปในภาคใตนะ้นท่านก็ไปเผยแผ่ธรรมที่หาดใหญ่นะแล้วก็ได้ก่อสร้างสถานธรรมมาสากลขึ้นมาที่หาดใหญ่นะ แล้วก็ได้นับนิมนต์ไปไปแพรย์ธรรมที่สิงคโปร์นะเป็นเวลาสองครั้งนะที่สิงคโปร์ในปี2525เนี่ยแหละการได้ไปเผยแพร่์ธรรมที่สิงคโปร์นั้นท่านก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมายนะซึ่งทุกวันนี้สิงคโปร์ก็ยังมีการไปบติธรรมดวยวิธีการนี้อยู่นะแล้วก็ได้ติดตามท่านมาศึกษาธรรมที่กรุงเทพต่อ นียก็คื อ, อสิ่งที่ได้ท่านได้ทํามานะก็คือปีสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยท่านมาอยู่อัดสองห้าหนึ่งแปดท่านมาอยู่วัดชนบุระทานสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยท่านก็มาอยู่วัดสนามในสองพันห้ารอยยห้าท่านก็ไปสิงคโปร์นะแต่ในช่วงปีสองพันห้า้อยี่ห้าท่านก็เริ่มเป็นมะเร็งแล้วนะมันะเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างแต่ท่านก็ยังเผยแพร่ทําไปเรื่อยๆนะจนต่อมาท่านก็มา สร้างสถานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเลยคือทับมิงขวัญน ะ, ะและเกาะพุทธธรรมขึ้นมานะในช่วงหลังท่านก็จะมาอยู่ที่วัดอที่ทับมิงขวัญนี้เองนะเพื่อที่จ ะ, ะสารต่อในการเผยแพร่ธรรมให้จังหวัดเลยอเพื่อเป็นการฟื้นฐานให้การปฏิบัติธรรมกว้างขวางยิ่งขึ้นในภาคอีสานต่อไปนะ หลังจากที่ท่านเป็นมะเร็งท่านก็รักษามาเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงปี 2,531 อายุ77ปีนะตอนนั้นท่านก็กลับมารักษาที่กรุงเทพนะแล้วท่านก็จะเดินทางกลับไปที่จังหวัดเลยนะก็มีคนทักว่าจะไปทําไมนะให้อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนะแต่ท่านบอกว่าท่านไปแล้วท่านก็จะไม่กลับมาอีกนะมันก็ท่านจะรู้ล่วงหน้า อันนี้ก็กลับมาที่วัดธ่มิงขวัญ น, นะหลังจากนั้นในวันที่สิบสามกันยายนนะสองพันหะ้าร้อยสามเอ็ดะท่านก็ได้ละสังขารไปในเวลาสิบแปดนากาสิบห้านาทีนะด้วยความสงบนะอันนี้ก็เป็นการจากไปของนะ ประมาจานของการเจริญสตินะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุคนั้นผู้ที่จะรู้เรื่องในการเจริญสตินี้น้อยมากนะเป็นการสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมานะจริงๆแล้วก็เป็นวิธีการใหม่ของชาวพุทธนะเพราะวิธีการนี้ก็ไม่เหมือนกับวิธีการอื่นๆนวิธีการอื่นส่วนมากก็จะนั่ง น, นิ่งนั่งสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่านี้นเป็นวิธีการที่เรียกว่า อ่าเป็นการสร้างความลกุกตัวขึ้นมาเพื่อที่จะปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆนะรู้ในปัจจุบันนี้นะจึงเป็นวิธีการใหม่นะถ้าผู้ใดได้เคยปฏิบัติในวิธีหลวงพ่อเทียนนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นผนทางที่รัดสั้นให้เราเข้าถึงธรรมอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าถ้าเราไปนั่งนิ่งๆแล้วเนี่ยจิตก็จะมีแต่ความสงบนะแล้วก็ไปติด ความสงบเหล่านั้นนะก็ไม่เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อกระทบอารมณ์ก็ออกจากอารมณ์ต่างๆไม่ไดนะ้เพราะว่าเราไปติดความสงบอยู่นะจิตไม่มีการตื่นตัวที่จะตามรู้ที่จะลูกเห็นความจริงนะในอารมณ์ต่างๆได้นะแต่โดยวิธีการลงมาเทียนนี้ก็คือให้ตามรู้การสร้างยังหวะนะก็คือรู้ในการสร้างหวะแต่ละครั้งแต่ละครั้งการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนั้นนะเพื่อปลูกให้จิต นะมีการตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรู้เท่าทันความคิดนะแล้วออกจากความคิดให้ได้นะจิตก็จะเร็วขึ้นเรื่อยรู้เท่าทันความคิดจะเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนีนะ้มีความเร็วหรือส ต, ติมีความไวเท่ากับความคิดแล้วเนะีนะ่ยก็จะไปดับความคิดได้นะแล้วจิตก็จะไม่ปรุงแต่งอีกต่อไปนะนี่ก็เป็นขนทางที่ว่ารู้เท่าทัน ความคิดซึ่งความคิดนั่นก็คือต้นทางของกิเลสทั้งหลายต้นทางของความโลภความโกรธทั้งหลายนะอันเนี้ยท่านก็เป็นปรมาจารย์ในวิธีนี้นะอ่ซึ่งใช้เวลาเผยแพร่เพียงประมาณ50สิปีเท่านั้นนะก็มีวัดสาขาต่างๆมากมายนะในประเทศไทยก็มีมากอ่านะมากมายนะหลายสิแห่งนะปัจจุบันนี้น่าจะเยอะแล้วสมัยก่อนก็ห้าหกสิแห่งเดิมนี้ก็คงจะมากกว่ารวมทั้งต่างประเทศด้วยนะ นะก็มีครูบาอาจารย์ก็ไปเผยแพร่ต่างประเทศกันอยู่หลายๆองค์นะอันนี้ก็เป็นการวิธีการนี่ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะทุกวันนี้นะก็เป็นที่สนใจนะเพราะว่าโดยพระปัญญาชนแล้วนะซึ่งไม่มีเวลาในการที่จะไปอยู่วัดเป็นเวลานานๆ น, นะหรือว่าต้องหาที่สงบในการปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเข้าใจวิธีการลงวันแล้วก็สามารถที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เลยนะนไป ปรับปรุงนะน้ำไปประยุกไงใช้กับชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่วัดเป็นประจำนะในการที่จะหาสถานที่สงบสักแห่งหนึ่งนะเพื่อจะปฏิบัติธรรมแต่เป็นการที่ว่าเราสามารถอยู่กับชีวิตประจำวันเนี่ยได้นะไม่ต้องเสียเวลาทามาหากินนะเพราะว่าโดยวิธีการเนี่ยท่านก็เลยได้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นปัญญาชนต่างๆมานะปฏิบัติธรรมท่านเป็นจานวนมากนะ แล้วผู้ที่ออกจากความทุกข์ได้จริงก็มีอยู่การที่เราออกจากความทุกข์ได้จริงนี้นะมันก็เป็นเครื่องยืนยันอยู่แล้วว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่านําไปใช้ได้จริงๆมีประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าถึงวิธีการนี้ก็คือเป็นผู้ที่ต้องมีความศรัทธาก่อนศรัทธาวิธีการนี้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะความถูกต้องก็คือว่าก็ในสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะ ในข้อกายานุปัสสนาสติปตฐานก็มีการกล่าวไว้ว่าในอิบบทบพัพะก็มีการยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนะก็คือการที่เราเดินจงกรมนั่นเองนะอิบทย่อยต่างๆคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยเหลียวซ้ายแลขวาก้าวแป้งหน้าถอยมาข้างหลังดื่มกินพูดคิดทั้งหลายก็อยู่ในข้อที่เรานํามาปฏิบัตกิกันก็คือการคู่แขนเหยียดแขนแล้วก็ให้อยู่ในอิบทใหญ่หรืออิบบทย่อย ให้มีในรูปแบบและนอกรูปแบบต่างๆก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามสติปัฏฐาน4นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นการรู้ในกายรู้ในใจนี่แหละเพราะว่าทุกข์ก็เกิดจากกายและใจเรานั่นเองหรือพูดสั้นๆว่าจริงๆแลเกิดจากใจของเรานี่นแหละเป็นส่วนใหญ่นะส่วนกายก็ไม่เป็นไรช่างก็เถอะเพราะว่าเราไปบังคับบัญชาก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนะเราไปแก้ไขไม่ได้ แต่สิ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คือจิตใจแล้วนี่แหละสามารถที่จะให้ออกจากความทุกข์ได้จริงๆนะเพราะพาระหันนี่ก็คือผู้ที่มีความทุกข์แต่ทางกายแต่ใจของท่านไม่มีความทุกข์แล้วนะเพราะทุกข์จริงๆก็อยู่ที่ทางใจนี่แหละที่เราจะต้องมาแก้ไขนะทุกข์ทางใจเกิดจากอะไรนะหลวงพ่อเทียนก็บอกแล้วว่าเกิดจากความคิดนั่นเองเพราะเรารู้ไม่เท่าทันความคิดมันจะไปปรุงไปแต่งให้เกิดความโลภความโกรธความหลงต่อไปนะ แต่เมื่อเราสติเราัยรู้เท่าทันความคิดแล้วนะจิตก็จะไม่ไปปรุงแต่งต่อเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่จริงนะแต่ไม่ไม่ปไปปรุงแต่งต่อมันก็หยุดเท่านั้นนะมันก็ทําให้เราทุกไปต่อไปอีกไม่ได้นะนี่คือปัญ ญ, ญายิ่งใหญ่นะของนักปราชญ์ในยุคที่ผ่านมานะซึ่งเป็นนักปราชญ์ใหญ่นะกอยเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติก็คือในวงการปฏิบัติทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วนะสมัยก่อนเยถ้าย้อนไปสัก5้าหกสิบปีนี่ ถ้าจะมีใครพูดเรื่องเจริญสติกันเลยนะมีแต่พูดในเรื่องสมถะในเรื่องให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นนะให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกกัตตาเป็นส่วนใหญ่แต่ทุกวันนี้การพูดคําว่าเจริญสติหรือความรู้สึกตัวนี่กลายเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการพูดกันอย่างทั่วถึงผู้ยังทั่วไปพูอยังได้รับความนิยมผู้ยางได้รับความชมเชยนะเป็นสิ่งที่ อันนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะสิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ผลงานของปรมาจารย์แห่งการเจริญสติคือหลวงพระเทียนจิตเจริจิตรสุโพนะในการเป็นผู้เผยแพร่นี้เป็นคนแรกนะในแนวขนทางนี้โดยการขึ้นไหวที่ไม่มีคำบริกรรมแล้วก็นํามาใช้ได้จริงๆนะเป็นขนทางที่นําให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆถ้าเรามีศรัทธานในการเดินตามนะเพียงแต่เราศรัทธาเท่านั้นเราเดินตามเราก็พ้นทุกข์ได้โดยเวลาไม่นานนะ ซึ่งโมเทมบอกว่าอย่างอย่างช้าตั้งแต่หนึ่งวันถึง90้าสบวันอย่างกลางไม่เกินหนึ่งปีอย่างอย่างย่งเร็วนะก็คือหนึ่งวันถึงเก้าสิวันอย่างกลางไม่เกินหนึ่งปีและอย่างช้าไม่เกินสามปีนะความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงหรือจะหมดไปนะเพราะฉะนั้นหนทางนี้มันรัดสั้นถ้าเราเดินตามหนทางของท่านแล้วนะการค้นทุกย่อมมีอยู่จริงนะและนี่ก็คือหนทางที่ว่ารัดสั้นที่สุดแล้วนะในทุกวันนี้นะอ่า นั้นในท้ายที่สุดนี้นะขอขอนุภาพคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบา ร, รมีของหลวงประเทียนจิตสุโภขอทุกท่านดวงตาเห็นธรรมนะถึงซึ่งความลุกสุตัวและให้ถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันในชาติประจันนี้ทุกท่านเทิน